ขอใส่ไม้หน่อยเพื่อให้คนอื่นฟังพออารมณ์หอจริงมันไหลออกไปพวกเราสังเกตเราเห็นรารูณรุเนี่ยมันก็ดับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนเหมือนติดอยู่ในอารมณ์คืออย่างสมมติว่ามีรถตัดหน้าเราเนี่ยเราโกรธเราตใจเราก็รู้ตัวืขึ้นมาเอ้ไม่น่าก็ดับก็จริง มันเหมือนติดอย่นเรา่เากมก็บมันขึ้นีกคือเขาก็ยังจอดติดไดงอยูต่ตรงนี้ตอนยุ้ตัวแล้วแต่เลือไปเห็นอีกยังตามพักโกรธอีนั่นไงคื อ, อยังคิดต่อไงอเพราะว่ายังมียังมีเหตุอยู่เหตุนั้นคือรถคันนั้นแต่ตอนเห็นทีหลังเนี่ยรถคันนั้นจอดอยู่เฉยๆอาการของการปาดหน้าน่ะดับไปแล้วมันหายไปแล้วแต่เรายังคิด จำได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยสองสามวินาทีที่ผ่านมาเนี่ยมันปาดหน้าเราแต่ตอนที่เห็นตอนเนี้เป็นภาพที่ไม่ได้ปาดหน้าแต่เราจําได้ว่ามันเคยทําเมื่อกี้นี้แล้วเราก็คิดว่าไอ้นี่มันทําผิดอยู่แล้วเราก็คิดคิดนั้นเป็นเหตุให้เกิดความโกรธตอนคิดนั้นเน่ยเรียกให้ละเอียดหน่อยก็เรียกว่าเป็นอกุศลวิตก <laughs> งง สาบาลีนึงงงคือคิดร้ายพอคิดร้ายก็คือเกิดโทสะเกิดขึ้นถ้าคิดว่าโอ้รถยี่ห้อนี้ดีจังน่าจะเปลี่ยนรถเป็นรถคันนั้นเกิดราคะราคะนี่ไม่ไม่ใช่เกิดกับเพศตรงข้ามอย่างเดียวนะกับรถก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเอารถเป็นเมียไม่ใช่งงินนะ <laughs> หมายถึงมีความพอใจมีจิตที่เหนียวแน่นกับสิ่งนั้นจิตพอใจแค่นี้ก็เป็นราคะและ้ว ถ้ายังเห็นอยู่มองอีกก็เกิดราคะอีกแต่รถคันนั้นถ้ามันปาดหน้าเรามองเห็นอีกก็ยังคิดถึงมันในแง่ที่มันปาดหน้าเราอยู่ก็กลายเป็นโทสะอีกเราอาจจะมีสติเห็นทันโทสะที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงแต่ยังมีเหตุอยู่ก็ยังมีโทสะเกิดขึ้นใหม่อาจจะสงสัยว่าฉันรู้แล้วทํามันดับไปแล้วแล้วทํามันยังมีอีกไอ้ที่รู้เมื่อกี้ถูกหรือเปล่ารู้อาจจะรู้ถูกแต่ว่าตอนนี้ยังมีเหตุอยู่เหตุเก่า ยังเห็นหน้าอ้ยังเห็นรถไอ้คันนั้นอยู่ก็ยังปรุงแบบเดิมอยู่โธสาก็เกิดขึ้นโธสาไม่ใช่อยู่ๆเกิดไม่ใช่เกิดโดยที่ลอยๆมีเหตุให้เกิดมาอยู่นี่อาจจะเจอเครื่องบินตัดหน้านไง <laughs> ใกล้สนามบิน <laughs> ตัวหลักเลยนะคือหันมาดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตอนที่โกรธเนี่ย ไม่เห็นใจตัวเองมันเห็นรถคันนั้นเห็นรถคันนั้นแล้วแถมยังนึกไปถึงไอ้คนขับอืออยากจะดูหน้ามันมันอะไรอย่างเงี้ยนะคิดตลอดเลยขณะที่คิดแนะีไม่เห็นเลยว่ากายเป็นยังไงหรือใจเป็นยังไงถ้าเราเอะใจซึ่งนึกว่าเอออาจารย์เคยให้กันบ้านเลยว่าให้กลับมาดูกายดูใจอย่างเงี้ยนะกลับมาดูดูซะขณะที่กลับมาดูเนี่ยไม่ได้ดูไอ้รถคันนั้นไม่ดูไอ้คนขับคนนั้นตอนนั้นเนี่ย รู้ใจว่ามีโทสะเกิดขึ้นตอนที่รู้แบบมีสติจริงๆเนี่ยจะเห็นโทสะเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจิตผู้ดูเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งโทสะกับจิตคนละตัวกันตอนนี้แหละจะเป็นตัวที่แยกออกว่าไอ้ที่ว่าดูจิตดูจิตเนี่ยไม่ใช่ดูจิตแบบทั่วๆไปคือดูสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับจิตจิตเนี่ยเป็นตัวดูแต่ไอ้โทสะได้ถูกดูอยู่ คราวนี้จะคุยกับ น, นักอภิธรรมรู้เรื่องแล้นักอภิธรรมจะเรียกไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรีวยกว่าเจตสิกเรียกสิ่งที่รู้ในว่าจิตดัง <Yeah. S 1> นั้นไอ้ที่ดูจิตดูจิตเนี่ยนะไม่ใช่ดูตัวจิตแรกแรกในเราฝึกนะไม่ใช่ดูตัวจิตตัวนี้แต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตคือโทสะบ้างราคะบ้างความหลงบ้างความฟุ้งซ่านบ้างความท้อถอยบ้างความเครียดบ้างพวกนี้นะคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิต ดูไปดูไปแล้วเราจะคุยกับคนเรียนอภิธรรมรู้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตนี่เรีว่าเจตสิกเจตสิกนี่มีมากมากมายเลยเป็นความทุกข์ความสุขหรือเฉยๆนี่เป็นเวทนาเวทนานี่ก็เป็นเจตสิกความจําได้หมายรู้เรียกว่าสัญญาเป็นเจตสิกความปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วอย่างที่เราเห็นรถคันนั้นแล้วเราก็โกรธความโกรธเป็นเจตสิกรถเป็นรูป เห็นนะเดชเดชเป็นรูปราคะเป็นเจตสิกความพอใจในรูปนั้นเป็นเจตสิกความพอใจเป็นราคะงงไหมใช้สัพ์มากเกินไปปะบางคนชอบชอบวิชาการบางคนฟังวิชาการแล้วมึนความมึนเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งถ้าเรารู้นะความมึนเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งตัวที่รู้ความมึนเป็นเป็นอันหนึ่งความงง เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งตัวรู้ความงงเป็นตัวหนึ่งแต่ถ้าไม่รู้นะความงงกับตัวรู้รวมกันกลายเป็นกูงงตอนกูงงเนี่ยไม่แยกอะไรเลยรวมเป็นกูหมดเลยถ้าเห็นกูงงกลายเป็นกลายเป็นรวมแล้วนะเห็นความงงไม่มีกูตอนเห็นความงงไม่มีกูมีแต่ตัวรู้กับตัวงงงงไหม งงได้นะอนุญาตให้งงนะอนุญาตให้งงแล้วรู้ทันความงงที่เกิดขึ้นความงงก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจคราวนี้เราไม่กลัวเลยอะไรที่เกิดขึ้นในใจดูได้ตลอดเลยไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้วันทีไม่รู้จะเรียกชื่อนี้ว่าอะไรไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้วันทีบรรยายไม่ออกว่าอะไรว่าไอตัวนี้เรียกว่าอะไรอะไรก็ได้สิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วสิ่งสิ่งนั้นน่ะพอรู้ปุ๊บนะดับ ใช้ได้เลยแสดงว่ารู้ถูกตอนที่พระโกนธัญญาเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านอุทานคําหนึ่งขึ้นมาตอนที่ท่านฟังธรรมจั ก, กรกระเปาะพัทนาสูตรจบเนี่ยนะถ้าท่านเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านอุทานว่าสิ่งใ ด, ส, งง ส, งดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่ได้บอกว่าอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดจิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาพอท่านอุทาน พอรู้อย่างนี้และอุทานขึ้นในใจอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็อุทานบ้างอัญญาสิวัตโภกนทัญโยกนัญญารู้แล้วหนาไม่ไไม่ได้รู้อะไรมากรู้ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วมันทําไมถึงรู้ขึ้นมาเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นแสดงไตรลักษ์ให้เห็นแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นท่านเห็นในความที่ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอะไรก็รู้ไม่ต้องเรียกชื่อเรียกไม่ทันตอนนั้นไม่เรียกเรียกไม่ทันตอนรู้เนี่ย น, นะ มันไม่เรียกเลยว่าเป็นราคะหรือโทสะหรือโมหะเรียกไม่ทันตอนเรียกว่าโกรธน้อเนี่ยนะไอ้คาว่าโกรธน้อเนี่ยตามหลังขณะที่รู้จิตเกิดดับเป็นขณะขณะขณะที่รู้เนี่ยรู้แล้วนะตอนรู้เนี่ยพูดไม่ทันดับไปแล้วจะมาพูดว่าโกรธน้อเนี่ยนะต้องมานึกในใจหลังจากที่รู้ไปแล้วขณะที่พูดไม่ใช่รู้ตอนรู้เนี่ย ทำอะไรไม่ทันเลยได้แต่รู้อย่างเดียวถ้าเผลอคิดไม่ไหรก็หลุดจากรู้ทันทีเมื่อกี้อะไรวะหลุดละเห็นไหมนีมเ่เป็นเวลาเทศที่เหมาะมากเลยเพราะว่า อะไรอ่ะพอเทศนานๆไปนะจะมีคนคอยเตือนว่าหยุดได้แล้วถ้าไปนี่มนฉัน <laughs> <laughs> มันมีละครอยู่ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยอย่าลืมฉันใช่ไหม <laughs> อย่าลืมนะภาคบ่ายฝากกับพี่เลี้ยงด้วยนะเป็นช่วงที่ไม่ควรพลาดคนะอร์สนี้มีค่าเพราะว่ามีพี่เลี้ยงมานะเราจะรู้ว่ามีค่าจริงยังไงเนะี้ยเดี๋ยวภาคบ่ายเนี้ยห้ามพลาดเลย ขออนุโมทนากับพี่เลี้ยงด้วย